หลายตัวหลายคนเป็นโสดาบันประเภทสัตว์ตักขัดตุประมะคือต้องเกิดตายอีกเจ็ดครั้งกว่าจะจบสิ้นภพชาติก็เพราะบรรลุโสดาปฏิพลขณะเป็นคารวาสเพลิดเพลินไปกับการเหยียบเรือสองแคมอยู่นี่เองต่างจากการบรรลุธรรมขณะเป็นพระเส้นทางจะดึงดูดให้เจริญภาวนายิ่งยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดก่อนตายแม้พักภาวนาบ้าง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 คืนนั้นฉันอ่านเจอพุทธพจน์ในอัญญสูตรซึ่งพระมหากัสสปะนำมากล่าวเทศภิกษุถึงธรรมะสิบประการอันเป็นไปเพื่อความเสื่อมซึ่งถ้าไม่ละธรรมะสิบประการนี้แล้วก็เป็นอันหมดสิทธิ์เจริญต่อธรรมะสิบประการเหล่านั้นได้แก่หนึ่งหลงสําคัญผิดเข้าใจว่าตนเป็นอรหันต์เพียงเพราะเป็นผู้สดับฟังมากจนขึ้นใจรอบรู้ตอบได้หมด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 เป็นผู้มีสติหลงลืมทอธุระในคุณวิเศษเบื้องบนเพราะได้บรรลุคุณวิเศษเบื้องต่ำข้อสุดท้ายทให้ฉชันตะลึงตระหนักในบัตรนั้นว่าความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ย่อมเหมือนกันมาทุกยุคทุกสมัยไม่มีเว้นเป็นโสดาบันอาจปลอดภัยจากนารกแต่ยังไม่ปลอดภัยจากความประมาททอธุระได้ซึ่งหมายความว่า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 จนจิตไม่ค้่องแวกกับกรารอีกต่อไป